4. กิจจาธิกรในอธิกรสี่อย่างนั้นกิจจาธิกรเป็นฉะไหนความเป็นหน้าที่ความเป็นกรณีแห่งสงใดคือ 1. อปโลกนกรรม 2. ยัยติกรรม 3. ยัยติทุติยกรรม 4. ยติจะตุทะกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกรอธิกรสี่อย่างจบ